ประมาณ10ิบนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านพระครูกำลังสอนเดินจงกรมระยะที่สให้พระโบเฮียวและครูที่มาจากนครสวรรค์อยู่นั้นนายสมชายก็นํารัฐมนตรีและคุณหญิงพร้อมผู้ติดตามอีกประมาณสิบคนมาขอเข้าพบคณะผู้ติดตามรัฐมนตรีล้วนเป็นนายตำรวจตั้งแต่ยศพันตารวจตรีถึงพันตารวจเอกคนหนึ่ง ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าถือให้คุณหญิงเป็นกระเป๋าหวายกลิบทองลักษณะคล้ายตระก้าหมากของคนสมัยก่อนแต่ใบเล็กกว่าและลวดลายละเอียดประนีตกว่าผู้ใดรู้ราคาของกระเป๋าใบนี้จะต้องตกใจเพราะคุณหญิงซื้อมันมาด้วยราคาสูงถึง 2,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ซื้อทองหนักหนึ่งบาทกับหนึ่งสลึงได้สบายสบาย เสื้อผ้าอาพรที่คุณหญิงสูมใส่นั้นบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีรถนิยมสูงซึ่งแน่นอนเหลือเกินที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วยหากคิดเป็นเงินก็คงเอามาสร้างกุฏิกรรมฐานได้นับสิบหลังทีเดียวใบหน้าของสตรีวัยห้าสิ ถูกตกแต่งไว้อย่างตั้งใจจะให้สวยงามทั้งลงพื้นวาดแผนที่ทาสีและแรงเงาแต่ก็มิอาจปิดบังความร่วงโรยแห่งสังขารไว้ได้ถ้าทางคุณหญิงดูถือตัวและไม่เป็นมิตรกับใครครูบุญมีมองปราดเดียวก็รู้สึกไม่ถูกชะตาแอบค่อนในใจว่าโธ่เอ้ยกะอีกแค่กระเป๋าใบเดียวก็ต้องมีคนถือให้ คณะผู้มาใหม่ทำความเคารพท่านพระครูพระบัวเหีียวแอบสังเกตว่าคุณหญิงกราบเป็นจังข้ประดิษฐ์ไม่เป็นครูบุญมีก็สังเกตเห็นเช่นกันเลยเกิดความรู้สึกไม่ชอบหน้าหนักขึ้นไปอีกเจริญพรท่านรัฐมนตรีไปยังไงมายังไงจึงมาถึงที่นี่ได้ท่านพระครูทักทายได้ยินเขาเล่าลือกันว่าคนนี้แหละ ที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปกระผมได้ยินกิตติศัพท์ของพระคุณเจ้ามานานบังเอิญมาทุระแถวนี้ก็เลยมาแวะกราบท่านครับรัฐมนตรีตอบแล้วเหตุการณ์ทางกรุงเทพเป็นยังไงยังไม่เรียบร้อยไม่ใช่หรือท่านพระครูหมายถึงเหตุการณ์วันมหาวิประโยคซึ่งเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ ก็เรื่องนี้แหละครับที่กระผมจะมาเรียนปรึกษาพระคุณเจ้าเออพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านพระครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าความจริงเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องทางโลกอาตมาเป็นพระสงฆ์ไม่อยากจะออกความเห็นแต่เอาเถอะไหนไหนท่านก็ถามแล้ว อาตมาก็ขอตอบว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมคราวนี้แหละคนจะได้เชื่อกันสัทีว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังยังไม่จบเพียงนี้หรอกจำคำพูดของอาตมาไว้นะครูใหญ่นะท่านหันไปพูดกับครูสริตถ้าไม่เชื่อ กลับไปถึงบ้านแล้วจดบันทึกไว้เลยว่าวันที่เท่านี้เดือนนี้พอสอนี้อาตมาพูดว่าอย่างนี้แล้วถ้าไม่ยิงตามที่อาตมาพูดให้มาปรับอาตมาได้อาตมาจะให้ปรับสองหมื่นบาทท่านพูดยิ้มยิ้มนะครูใหญ่นะครับ ครูใหญ่รับคําด้วยไม่รู้จะพูดอะไรให้ดีไปกว่านั้นดีแล้วเอาละ่ะอาตมาไม่ใช่หมอดูแต่ก็จะทำนายว่าอีกสามปีนับจากนี้ไปจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับวันมหาวิปโยคอีกและอีกสิบห้าปีคือปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ด จะเกิดอุท ก, กภัยครั้งใหญ่ขึ้นที่ภาคใต้น้ำจะท่วมถึงยอดตานวัดวาอารามจะพังพินาศคนจะล้มตายเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นอีกยี่สิบปีแผ่นดินจะถูกต่างชาติเข้ายึดครองคนไทยจะไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่าลืมไปบันทึกเอาไว้ถ้าไม่จริงอาตมายอมให้ปรับนิ่งไปครู่หนึ่งจึงถามครูบุญมีว่าโยมเคยเห็นทะเลน้ำไหมเคยครับครูบุญมีตอบทะเลทรายละ่ะไม่เคยครับท่านรัฐมนตรี เคยเห็นทะเลทรายไหมเคยครับรัฐมนตรีตอบนั่นแหละปกติเราคิดว่ามีแต่ทะเลน้ำกับทะเลทรายแต่อีกสิบห้าปีจะมีทะเลทุ่งเป็นยังไงคะทะเลสุง่งคุณหญิงถามพลางนึกในใจว่าพระองค์นี้พูดบ้าๆแล้วก็ต้องสะดุ้ง เมื่อท่านพระครูตอบว่าไม่บ้าหรอกคุณหญิงเอาเถอะถึงเวลานั้นคุณหญิงจะรู้เองว่าทะเลสุ่งมันเป็นอย่างไรคุณหญิงจึงแอบคิดต่อไปอีกว่าแน่ศึกรู้สอีกว่าเราคิดยังไงคราวนี้ท่านพระครูถึงกับอึง้งทอยคำที่คุณหญิงใช้นั้นหยาบคายเกินกว่าจะยอมให้มันออกมาจากปากของท่านเห็นท่านไม่โต้อตอบ คุณหญิงเลยคิดว่าท่านไม่รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อครูใหญ่ถามก็อย่างที่อาตมาบอกเมื่อตกี้นั่นแหละ ว, ว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมครูใหญ่อย่าลืมนะว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องกรรมไว้ว่าอย่างไรท่านสอนว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตโลก ย่อมเป็นไปตามกรรมเอาละแล้วทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็จะได้ประจักษ์เมื่อเวลานั้นมาถึงขณะสนทนาท่านรู้สึกว่ารัฐมนตรีมีอาการกระสับกระส่ายจึงพูดขึ้นว่ารู้สึกท่านรัฐมนตรีมีอะไรจะพูดกับอาตมาสองต่อสองใช่ไหมครับ ผมอยากเรียนปรึกษาอะไรบางอยา่างถ้าอย่างนั้นก็เชิญข้างบนคน อ, นอื่นรออยู่ที่นี่ก่อนนะจะคุยกันหรือจะนั่งสมาธิก็ตามใจพูดจบจึงลุกขึ้นเดินนํารัฐมนตรีขึ้นไปข้างบนจัดแจงปิดประตูลงกรอนอย่างเรียบร้อยด้วยรู้ว่าสิ่งที่รัฐมนตรีจะพูดนั้นเป็นเรื่องลับสุดยอดคุณหญิง ย่องขึ้นไปแอบฟังอยู่ที่เชิงบันไดท่านพระครูรู้แต่รัฐมนตรีหารู้ไม่อาคันตุกะกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆห้องไม่มีสมบัติพัสถานอันใดนอกจากหนังสือซึ่งวางกองอยู่บนพื้นห้องบ้างบนโต๊ะและในตู้บ้างห้องทั้งห้องจึงเต็มไปด้วยหนังสือมีที่ว่างเหลือไว้ให้คนนั่งได้ไม่เกินสี่คน และที่ตรงนี้ก็คือที่นอนของท่านนั่งลงแล้วรัฐมนตรีจึงพูดขึ้นว่า mm. กระผมมีเรื่องร้อนใจอยากจะรินปรึกษาพระคุณเจ้าว่ากระผมจะทำการปฏิวัติดีหรือไม่ถ้าทำจะสำเร็จไหมเพราะถ้าสำเร็จผมก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านพระครูตอบทันทีว่า mm. ไม่ดีแน่ท่านอย่าทำเลย อาตมาขอบิณฑบาตเถินนะคุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่อดรนทนไม่ได้ส่งเสียงแวดขึ้นว่าทำไมจะไม่ดีถามพระวัดไหนๆท่านก็ว่าดีทั้งนั้นมีแต่พระบ้าวัดนี้แหละที่ว่าไม่ดีรัฐมนตรีหน้าเสียเมื่อได้ยินเสียงแวดของพัญญาท่านพระครูจึงส่งเสียงลงมาว่าสมชายเอ้ยช่วยดูหน่อยสิ แมวที่ไหนมาร้องอยู่หน้ากระใดทางขึ้นห้องชั้นเด็กหนุ่มจึงเดินขึ้นไปพูดกับคุณหญิงเป็นเชิงขอร้องว่าคุณหญิงออกมารอข้างนอกเถอะครับหากฝ่ายนั้นเชิดหน้าทำให้รู้ไม่ชี้เหมือนไม่ได้ยินที่เด็กวัดพูดนายสมชายจึงตะโกนขึ้นไปว่าผมบอกแมวแล้วครับหลวงพอ่อแต่แมวไม่เชื่องั้นกดช่างแมวเถอะ เป็นเสียงตอบลงมารัฐมนตรีไม่กล้าออกมาพูดกับพัญยาด้วยเคยกลัวเคยเกรงกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตถึงในปัจจุบันก็ยังกลัวยังเกรงอยู่ก็ไม่ใช่บารมีของคุณหญิงดอกหรือที่ทำให้ท่านรุ่งโรธเรืองรองมาจนทุกวันนี้ที่พระคุณเจ้าว่าไม่ดีหมายความว่าไม่สำเร็จหรือครับแต่กระผมมั่นใจว่าต้องสาเร็จ เพราะคุณหญิงเขาวางหมากเอาไว้หมดแล้วก็เพราะอย่างนั้นนะซีอจตมาถึงว่าไม่ดีพูดกันตรงๆเลยนะว่าท่านจะพังก็เพราะคุณหญิงนี่แหละคราวนี้คนแอบฟังอยากจะร้องกรี๊ดออกมาท่านพระครูจึงพูดเสียงดังกว่าเก่าว่าอย่าเพิ่งร้องคุณหญิงใจเย็น ฟังอาตมาพูดให้จบก่อนแล้วค่อยร้องคุณหญิงจึงจำใจแอบฟังต่อไปแต่ที่กระผมขึ้นมาได้ถึงขั้นนี้ก็เพราะฝีมือคุณหญิงเขานะครับพระคุณเจ้าคุณหญิงเขาเป็นคนกว้างขวางเข้าเจ้าเข้านายเก่งพูดอย่างรู้บุญคุณพัญญาถูกแล้วแต่ท่านอย่าลืมว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งผู้นำของประเทศท่านจะต้องเป็นผู้นำสูงสุดแต่ในความเป็นจริงนั้นตรงกันข้ามเพราะคุณหญิงสูงกว่านี่แหละมันจะวุ่นวายก็ตรงนี้ท่านพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดใช่ไหมอาตมาเป็นคนตรงพูดอ้อมค้อมกับเขาไม่เป็นครับกระผมเข้าใจ แต่กระผมก็ยังอยากทราบว่าถ้ากระผมทำการปฏิวัติจะสำเร็จหรือไม่เพราะคุณเจ้าพอจะบอกได้ไหมครับบอกก็ได้ว่าสำเร็จแล้วท่านก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมความตั้งใจด้วยคนฟังอยู่ข้างนอกจึงค้านในใจว่าทำไมท่านว่าไม่ดีละ่ะพิลึกจริงแล้วก็ให้แปลกใจนักขึ้น เมื่อเสียงข้างบนดังลงมาว่าที่ว่าไม่ดีเพราะท่านจะเป็นได้ไม่ถึงสองเดือนก็จะเกิดเรื่องยุ่งพวกนิสิตนักศึกษาเขาจะเอาเรื่องกับท่านจนท่านอยู่ไม่ได้แล้วท่านกับคุณหญิงจะต้องเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้เลยท่านตัดสินใจเองก็แล้วกันว่าจะเป็นรัฐมนตรี แล้วอยู่สบายสบายหรือจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องปรึกษาคุณหญิงดูก่อนรัฐมนตรีตอบแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ต้องปรึกษาหรอกอาตมาตอบแทนคุณหญิงได้เดี๋ยวนี้เลยว่าคุณหญิงต้องให้เลือกอย่างหลังเพราะเขาไม่เชื่อที่อาตมาพูด คุณหญิงซึ่งแอบฟังอยู่รู้สึกทึ่งที่พระรูปนี้ช่างรู้ความในใจของเธอไปเสียทุกอย่างรัฐมนตรีคอตกไม่รู้จะเชื่อพระดีหรือเชื่อพัญญาดีคงต้องเลือกเอาอย่างหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านไม่เชื่อที่อาตมาพูดอาตมาก็จะให้ท่านพิสูจน์โดยจะย้อนอดีตที่ผ่านมาว่า ท่านทำอะไรผิดพลาดไว้บ้างแล้วทีนี้ท่านจะเชื่ออาตมาหรือเชื่อคุณหญิงก็สุดแล้วแต่ท่านแล้วท่านพระครูจึงเล่าเรื่องแต่ครั้งอดีตของรัฐมนตรีที่มีคุณหญิงเป็นผู้วงการมาโดยตลอดคนที่นั่งฟังกับคนที่แอบฟังต่างยอมรับในใจว่าทุกเรื่องที่ท่านเล่ามานั้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในผู้ทรงศีลรูปนี้หากก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเหตุใดพระอีกหกวัดที่เพิ่งไปพบมาเมื่อตอนเช้าจึงทำนายเป็นสิ่งเดียวกันว่าดีมีวัดที่เจ็ดนี่แหละที่ผิดแผกไปจากวัดอื่นๆจะเชื่อหกวัดหรือวัดเดียวดีหนอ ท่านพระครูรู้ความคิดของคนทั้งสองจึงกล่าวขึ้นว่าเพราะที่ท่านไปพบมาทั้งหกวัดนั้นท่านก็ไม่ได้ทายผิดเพราะตอนนี้ไม่ว่าท่านจะไปถามพระหรือถามหมอดูที่ไหนนเขาก็ต้องว่าดีทั้งนั้นอาตมาก็ว่าดีแต่มันดีเฉพาะตอนแรกกเข้าตำราหัวมงกุฎ ท้ายมังกรยังไงละ่ะขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งเถอะอาตมามีความจริงใจไม่เคยแนะนําใครในทางเสียเมื่อเดือนที่แล้วก็มีนายพลท่านหนึ่งมาที่นี่จะมาขอให้อาตมาช่วยท่านจะปฏิวัตอยากเป็นนายกเหมือนท่านนี่แหละอาตมาดูแล้วเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็เรียนท่านไปตามตรง รู้สึกคุณหญิงเขาจะไม่พอใจอาตมาหน้างอเป็นม้าหมากรุกกลับไปเลยท่านพระครูไม่เล่าดอกว่าคุณหญิงผู้นั้นก็ได้มาแอบฟังท่านคุยกับนายพลด้วยไม่ต้องการให้คนที่กำลังแอบฟังอยู่ตรงเชิงบันไดเข้าใจผิดไปว่าท่านแกล้งพูดประชดเพราะคุณเจ้าไม่มีทางใดที่จะช่วยกระผมได้เลยหรือครับคำถามของรัฐมนตรี ช่างถูกอกถูกใจคุณหญิงนักแต่คำตอบของท่านพระครูนั่นสิทำให้เธอต้องผิดหวังถ้าช่วยได้อาตมาก็ช่วยแล้วโดยไม่ต้องรอให้ท่านออกปากเลยนี่อาตมาช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่มีใครช่วยใครได้แล้วกฎแห่งกรรมนี่ใครเป็นคนสร้างครับพระคุณเจ้า แม้จะเป็นถึงรัฐมนตรีหากก็มีความรู้เที่ยวชาญในทางโลกเท่านั้นส่วนทางธรรมแทบจะเรียกได้ว่ามืดบอดกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งเหตุและผลเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเหตุดีผลก็ดีเหตุทั่วผลก็ชั่ว ผู้ที่สร้างกฎแห่งกรรมก็คือตัวของเรานี่แหละไม่มีใครมาสร้างมาบันดาลให้ไม่ใช่พรมลิขิตหากเป็นเรื่องของกรรมลิขิตเมื่อเราสร้างเหตุเราก็ต้องรับผลจะให้ใครมารับแทนไม่ได้เหมือนดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกรรมเนิรดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงช่วยท่านไม่ได้คนฟังทั้งในห้องและนอกห้องเริ่มจะทราบซึ้งในรสพระธรรมท่านพระครู รู้จึงเทศนาต่อไปว่าคนเราจะร่ำรวยหรือยากจนจะสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่ทาคำว่ากรรมแปลว่าการกระทาตามคำสอนของพระพุทธศาสนาการกระทาที่จัดเป็นกรรมต้องเป็นการกระทาที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานเจตนา คือความตั้งใจหรือจงใจบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเจตนานั่นเองคือกรรมดังพุทธพจน์ว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจเรื่องกรรม เป็นเรื่องสลับซับซ้อนถ้าท่านสนใจวันหลังหาเวลามาอยู่วัดสักเจ็ดวันมาคุยเรื่องกรรมกันต่ออาตมาเป็นคนชอบวิจัยได้รวบรวมเรื่องกฎแห่งกรรมที่เกิดขึ้นในวัดนี้ไว้เป็นร้อยๆยเรื่องบางเรื่องก็แทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างพระที่นั่งอยู่ข้างล่างนั่นก็มาขอแก้กรรมอาตมา กำลังให้ฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ประโยคสุดท้ายทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงไม่เข้าใจว่าท่านพูดถึงอะไรมาจากไหนครับพระคุณเจ้าจากกาละศนมันก็แปลกนะท่านรัฐมนตรีเขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขาฝันเห็นวัดนี้แล้วก็เห็นอาตมา มีเสียงบอกเสร็จสับว่าวัดชื่ออะไรอาตมาชื่ออะไรแล้วก็สั่งให้มาบวชเพื่อแก้กรรมที่นี่ตอนแรกเขาไม่เชื่อแต่พอฝันติดติดกันถึงสามคืนเขาก็ชักจะเชื่อความจริงมันไม่ใช่ฝันหรอกเขาเรียกว่านิมิตซึ่งหมายถึงเครื่องหมายบอกเหตุเมื่อเขาเชื่อ เขาก็จะมาพิสูจน์แต่ก็มาไม่ได้ในทันทีปีรุ่งขึ้นถึงมาน่าสงสารต้องชดใช้กรรมสาหัสสากันทีเดียวอาตมา ก, ก็ตั้งใจว่าจะช่วยเขาให้มากที่สุดสงสารเหลือกเกินก็ไหนพระคุณเจ้าบอกว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมช่วยกันไม่ได้ยังไงล่ะครับรัฐมนตรีทวงขึ้น คนที่แอบฟังอยู่หน้าประตูก็กำลังคิดอย่างเดียวกันอาตมาหมายถึงว่าจะช่วยในส่วนที่พอจะช่วยได้เช่นช่วยแนะนำในเรื่องการปฏิบัติให้เขาแต่เรื่องกฎแห่งกรรมอาตมาช่วยไม่ได้อย่างแน่นอนเขาสร้างเหตุมาอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้น ถึงตอนนี้ทั้งคนในห้องและคนนอกห้องก็ถึงบางอ้อเอ๋แต่พระคุณเจ้าครับทำไมบางคนทำชั่วแล้วได้ดีแล้วครับคนประเภทนี้เท่าที่ผมเห็นมีมากซสีด้วยกระทั่งมีคนกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแบบนี้แสดงว่าทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วไม่จริงเสมอไปใช่ไหมครับ ก้อย่างที่อาตมาพูดไปเมื่อตะกี้นั่นแหละ ว, ว่าเรื่องกรรมมันสลับซับซ้อนเราจะมาตัดสินเอาเฉพาะที่เราเห็นนั้นไม่ได้ว่ากันโดยหลักแล้วคนทําดีจะต้องได้ดีทําชั่วจะต้องได้ชั่วแต่คนที่ทําชั่วแล้วได้ดีนั้นเพราะเขายังกินบุญเก่าอยู่คือมีความดี สะสมเอาไว้มากอาจจะสะสมไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติแต่พอบุญเก่าหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นกรรมชั่วก็จะมาให้ผลส่วนคนที่ทำดีได้ดีก็เพราะกรรมชั่วที่เคยทำไว้แต่ครั้งอดีตยังให้ผลไม่หมดกรรมมันจะให้ผลไม่พร้อมกันถ้ากรรมชั่วกําลังให้ผลกรรมดี ก็จะรออยู่ก่อนหรือถ้ากรรมดีกำลังให้ผลกรรมชั่วก็จะรออยู่เช่นกันเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆก็คือที่ที่ท่านกำลังนั่งอยู่ขณะนี้ราบใดที่ท่านยังไม่ลุกออกไปคนอื่นจะมานั่งไม่ได้ต้องรอให้ท่านลุกเสกก่อนจริงไหมจริงครับ รัฐมนตรีตอบคนแอบฟังอยู่ก็เผยตอบออกมาว่าจริงค่ะทีนี้ถ้าใครมาพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปท่านก็ตอบเข้าไปเลยว่าทำดีได้ดีนั้นมีแน่ทำชั่วแต่ได้ดีมีที่ไหน ที่ทำชั่วเห็นดีอยู่จงรู้ไว้มันเหมือนไฟใต้ฐานไม่นานร้อนกรอนนี้ไม่ทราบใครแต่งเอาไว้อาตมาเห็นเข้าทีก็เลยจําเอามาบอกกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำชั่วเลยเราก็ไม่ต้องไปรับผลของมันใช่ไหมครับถูกแล้วเหตุนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่รับที่แจง้งถ้าท่านจะทำหรือทำอยู่ซึ่งกรรมชั่วถึงแม้จะเหะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยอย่างพระโมคคัลลานะนั่นยังไงเหาะได้ แต่นี้กาไม่ได้ท่านคงเคยได้ยินชื่อพระโมคคัลลานะใช่ไหมอัครสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เลิศในทางฤทธิ์มีฤทธิ์มากเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ก็ยังต้องถูกโจนทุบจนกระดูกแหลกเป็นเมล็ดเข้าสารหักเพราะในอดีตชาติเคยทุบตีบิดามารดา นี่คณาสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็ยังต้องมาชดใช้กรรมก็ในเมื่อท่านเหาะได้ทำไมท่านไม่เหาะหนีไปล่ะครับพระคุณเจ้าทำไมจะไม่หนีท่านหนีมาเป็นร้อยๆอยครั้งพวกโจรก็ตามอย่างไม่ลดละในที่สุดท่านจึงระลึกถึงกรรมเก่าได้และรำพึงกับตัวเองว่า หนีโจรนั้นหนีได้แต่หนีกรรมหนีไม่ได้ท่านก็เลยยอมให้โจรทำร้ายแต่โดยดีแล้วตายไหมครับถามอย่างสนใจใครรู้ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเราก็ไม่ต้องสงสัยแต่นั่นท่านเป็นพระอระหันต์ผู้มีฤทธิ์ถ้าตายลักษณะนั้นก็เสียชื่อหมด ท่านก็เลยใช้คาถาประสานกระดูกและเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขออนุญาตปรินิพพานพระอรหันต์สมัยพุทธกาลถ้าจะปรินิพพานต้องมาทูลขออนุญาตพระพุทธเจ้าเสียก่อนไม่งั้นก็ปรินิพพานไม่ได้ท่านเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาขณะนั้นเวลาสิบเอนาฬิกา ึพูดข้นว่าเดี๋ยวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม่ท่านไม่มีธุระที่ไหนไม่ใช่หรือไม่มีครับกระผมตั้งใจว่าจะมาเรียนถามพระให้ครบเจ็ดวัดพอดีวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายแล้วผมก็ชักจะติดใจคุยกับพระคุณเจ้าแล้วผมตาสว่างขึ้นมาอีกเป็นกองคงต้องหาโอกาสมาอีกให้ได้คุณหญิง รีบย่องลงมาข้างล่างก่อนท่านพระครูจะมาเห็นประเดี๋ยวหนึ่งรัฐมนตรีจึงตามท่านเจ้าอาวาสลงมาเชิญรับประทานอาหารกันก่อนท่านบอกทุกคนที่อยู่ณที่นั้นพระโบฮิเยวกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปเพราะเกรงภิกษุรูปอื่นๆจะรอแล้วพระคุณเจ้าไม่ไปฉัน ร, รับได้เวลาฉันเพลนแล้วอาตมา ชันมือเดียวยกเว้นโอกาสพิเศษที่ญาติโยมเขานิมนจึงจะฉันสองมือได้รู้ได้เห็นความเป็นอยู่และการครองชีวิตที่ยึดหลักสันโดษเป็นที่ตั้งรัฐมนตรีก็ยิ่งศรัทธาในบรรพชิตรูปนี้เป็นอันมากเพราะพระสงฆ์เท่าที่ท่านเคยสัมผัสมานั้นล้วนมีความเป็นอยู่ที่ไม่ก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นต้นว่าชอบประจบครือัด ตั้งตนเป็นผู้วิเศษมีความโลภในลาบสการะและที่สำคัญที่สุดคือไม่สามารถแสดงธรรมที่แจ่มแจ้งลึกซึ้งเช่นนี้ได้